พวกเรามาเข้าคอร์สนะมัน 2-3 สวัน น, นิดเดียวกลับไปแล้วไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะเรียนธรรมมาแล้วนะปฏิบัติทำแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นนะผิดปกติต้องมีอะไรผิดนะ่ะไม่ปฏิบัติผิดก็ปฏิบัติไม่พอมี2 อ, อย่างนะคนปฏิบัติมากเลยไม่ได้ผลนะเซลจัดันั้นภาวนาผิดแน่นอน สู้กิเลสไม่ได้สักตวัวบางคนเรียนเยอะนะท่องตำราไว้เยอะแยะเลยรู้หมดคำพีไหนคำพีไหนจบมาหาปัฏฐานจบเลยไม่เคยเห็นสภาวะจิตสักดวงหนึ่งก็ไม่เคยเห็นโลบเจตสิกโลภะเจตสิกสักตัวก็ไม่เคยเห็นอย่างี้ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ธรรมะแบบนั้นมีตำรายาแต่ไม่ได้ปรุงยามากิน เชื้อโรค ก, ก็คือกิเลสที่อยู่เต็มหัวใจเหมือนเดิมยิ่งนานวันก็ยิ่งแพร่พันุ์ไปนะจิตของเรามีธรรมชาติไหลลงต่ําไปเรื่อยๆเชื้อโรคในใจเราเนี่ออกลูกออกหลานไปเรื่อยเยอะแยะเยอะเยะไปหมดมหัทรัพย์น่านะจะนับกิเลสไม่ทันเลยเยอะแยะไปหมดเลยพอตัวไหนเรารู้ทันนล้มันก็หลอกเราไม่ได้หมดคุณภาพไปตัวที่ละเอียดกว่าฉลาดลึกซึ้งกว่าก็มาหลอกเราต่อ เป็นชั้นๆไปเดี๋ยวนี้ก็ทั้งสำนักอภิธรรมบางแห่งนะคนไปเรียนนะก่อนจะเรีย น, นยแจกซีดีหลวงพ่อก่อนให้ไปหัดฟังก่อนพอฟังไปแล้วดูสภาวะเป็นแล้วมาเรียนนี่ง่ายมากเลยก็พูดถึงจิตก็รู้จั ก, กพูดถึงเจตสิกคือธรรมชาติที่ประกอบจิตก็รู้จั ก, กรู้หลักกว้างๆว้างรู้เรื่องของไตรลักษณ์เรื่องอะไรอย่างี้ เวลาไปเรียนจริงจังนะเรียนง่ายลูกศิษย์หลวงพ่อบางคนก็เป็นปรเรียนนะก็มีกันหงพ่อนาไม่เป็นเลยก็รู้ธรรมะเยอะรู้ตำราเยอะแต่ว่าพ่อนาไม่เป็นไม่มีประโยชน์เลยหัดดูของจริงๆหัดดูความจริงหัดดูของจริงอะไรเป็นของจริงรูปนามกายใจนี่ของจริง อะไรไม่ใช่ของจริงเรื่องราวที่คิดเอาคิดเอาพิจารณาเอาฝันเอาจินตนาการเอาไม่ใช่ของจริงให้ดูของจริงดูกายดูใจนี่แหละของจริงดูเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ดือนนี้พอเข้าใจไตรลักษณ์ของกายของใจแจ่มแจ้งแนละจิตมันปล่อยวางกายวางใจนะจะเข้าถึงของจริง เข้าถึงของจริงเข้าถึงความจริงอีกชนิดหนึ่งคือนิพพานนิพพานมีอยู่จริงๆริงนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคติที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาหลอกเด็กให้คนทําดีเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะนิพพานท่านไม่ได้บอกนะทําดีเยอะๆแล้วจะนิพพานนะจะนิพพา น, ะนได้ก็ต้องไม่ทําชั่วไม่ทํำบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตให้ผ่องแผ้วทากุศลให้ถึงพร้อมพร้อมด้วยอะไรพร้อมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา ไม่มีอะไรเลื่อนลอยต้องทำเอาฝึกเอานะค่อยๆดูสภาวะสภาวะธรรมนี่แหละของจริงมดูให้เห็นความจริงหเห็นไตรลักษณนะ์การปฏิบัติในเบื้องต้นนะมันมีสายโน้นสายนี้สายพุทโธสายอาณาปณนสติสายพองยุคเนะ สายโกเอนก้าสายอะไรต่ออะไรสายหลวงพระเทียนทำจังหวะเยอะแยะไปหมดเลยแค่นั้นมันเบสิกรอกมีสายถ้าทำเป็นแล้วเนี่ยสติตัวจริงเกิดสมาธิตัวจริงเกิดปัญญาเดินปัญญาได้สติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติ สมาธิสติสมาธิปัญญาตโนมัตแล้วไม่มีสายอีกต่อไปแล้วบางทีสติก็ะระลึกรู้กายก็เห็นความจริงคือไตรลักษณ์ในกายบางทีสติะระลึกรู้เวทนาก็เห็นความจริงในเวทนาคือความสุขทุกข์ทั้งหลายบางทีสติะระลึกรู้ความปรุงแต่งที่เป็นกุศลอกุศลในจิตก็เห็นไตรลักษณ์กุศลก็แสดงไตรลักษณ์อกุศลก็แสดงไตรลักษณ์ บางทีสติะระลึกรู้จิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์เราเลือกไม่ได้ว่าสติจ ะ, ะระลึกรู้กายหรือะระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ะระลึกรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วหรือะระลึกรู้วิญญาณความรับรู้หรือจิตที่เกิดทางทวารทั้งหกตาหูจมกูกลิ้นกายใจเราเลือกไม่ได้ สติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้เพราะงั้นไม่มีสายอีกต่อไปแล้วนะถ้าสติะระลึกรู้กายก็เห็นอะไรเห็นไตร ล, ลักษณ์ในกายสติะระลึกรู้เวทนาก็เห็นไตร ล, ลักษณ์ในเวทนาสติะระลึกรู้สังขารก็เห็นไตร ล, ลักษณ์ในสังขารสติะระลึกรู้วิญญาณนะคือตัวจิตเอง<ม>ก็เห็นไตร ล, ลักษณ์ในจิตถามว่าเห็นอะไรไม่ว่าระลึกรู้อะไรก็เห็นไตร ล, ลักษณ์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าวิปัสสนานะ เห็นกายไม่ใช่วิปัสนาเห็นจิตไม่ใช่วิปัสนาเพราะงั้นสายกายสายจิตเลยยังไม่ขึ้นวิปัสนานะเห็นไตรลักษณ์กายก็แสดงไตรลักษใช่ไหมดูกายเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นไตรลักณดูเวทนาก็เห็นไตรลักดูสังขารปรุงดีปรุงชั่วก็เห็นไตรลักษดูวิญญาณดูจิตดูใจก็เห็นไตรักอีกเห็นไตรลักก็คือเห็นความจริงนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือ คลายความยึดถื อ, อยังหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหยุดหลุดพ้นจากความยึดถือในรูปในนามนี่เองจิตเข้าถึงความสงบสุขสันติสุขที่แท้จริงคําว่าสันติสันตินั่นแหละคือคำว่านิพานในนิพานมีอะไรอยู่ในนิพานมีบรมสุขอยู่มีความสุขอยู่สันติมีที่ไหนความสุขก็มีที่นั้นแต่ในโลกที่เที่ยวหาสันติไม่เคยมีสันติหรอกสันติอยู่ที่จิตเรานี่เองนะถ้าฝึก จเจริญศีลสมาธิปัญญาแก่รอบล้วเข้าถึงสันติภายในใจของเรานองดังนั้นภาวนานะโลกจะแตกเราก็มีความสุ ข, ขงเราอยู่ได้แล้วเรามีสันติสุขพ่อแม่เราจะตายเราก็ยังมีความสุขแล้เวเ็กใจเบิกบานไม่ใช่ว่าได้มดรดกนะบางคนพ่อแม่ตายดีรอมานานแล้วเอามดรดกมีความสุขอะ่ะ มันมีสันติสุขสันติตัวนี้มันเกิดจากใจนะมันพ้นความปรุงแตง่งไม่มีอะไรมาเสียดแทงมันได้ใจของเราเสียดแทงตลอดนะรู้สึกไหมมีความหิวมีตัณหานี่ยนะเสียดแทงใจเราตลอดเวลาเลยแล้วก็โลบโกรดหลงเสียดแทงใจเราตลอดเวลาเลยใครเคยเห็นใจหิวบ้างยกมือซิมีไหมใจหิวโอ้สาธุใกล้ก็เป็นพระอรหรนะันแล้ว หมดหิวก็เป็นพระอรหันแล้วล่ะมันเป็นไรหรอกนะีใจมันหิวหิวกาดินใช่ไหมหิวก็ดิ้นรนร่างกายหิวอะไรกี่ครั้งสองสามครั้งร่างกายหิวแต่จิตเนี่ยหิวอยู่ทุกนาทีเลยนะเพืาะนจิตเนี่ยทุกข์ทุกเลยทุกข์มากเลยถูกความหิวแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเลยถูกกิเลสแผดเผาอยู่ตลอดเวลาทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลามันทิ่มแทงจริงๆนะ จิตนะเหมือนวัวเหมือนควายนะกิเลสเหมือนเราไม้แหลมแหลมเหมือนประตักอ่ะทิมให้วิ่งไปทางโน้นทีวิ่งไปทางนี้ทีสังเกตไห้จิตเราถูกดันหาผลักดันให้วิ่งถูกกิเลสผลักดันให้วิ่งไปทางโน้นทางนี้วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งพล่านพล่านตลอดเวลาเลยมันมีความสุขซะที่ไหนมันถึงวิ่งพล่านพล่านอย่างนั้นเป็นหมาถูกน้ําร้อนเลยนะจิตนะวิ่งไปเรื่อยมีแต่ความทุกข์นะ สติปัญญาแก่รอบนะโอ้ปล่อยวางจิตได้เขาวางเองนะอย่าไปอุตรีวางนะบางคนน่าตัดไปนี้ผมจะวางจิตน่าบ้าไปเลยนะมีสติไว้ก่อนเพิ่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจิตเขาวางของเขาเองห้ามไปจงใจวางของเรามีหน้าที่เจริญสติเจริญปัญญาให้มากไปถ้าถึงเวลาเขาวางของเขาเองอย่ารีบวางนะบางคนในอาก็วางแนะใจผมเข้าถึงสุญญาตาแล้ว หลวงพ่อบงทีมาบอกหลวงพ่อนะจิตผมเข้าถึงสุญญาตาแล้วมันไม่สุญญาตาหรอกนะครูบาอาจารย์บางทีท่านใช้วิธีด่านะท่านใช้วิธีดา่าเอาเจ็บๆมังครบอกว่าเป็นพระลรหันบางทีท่านดา่าบางทีบอกไม่มีกิเลสแนละท่านท่านเล่นงานมีผู้หญิงคนหนึ่งนะพวกคุณหญิงคุณนายไปบอกเจ้าคุณอุบารี เจ้าคุณบาลีวัดบรมวัดบรมนิวนันไปบอกว่าท่านเจ้าค้าดีฉันไม่มีความโกรธแล้วเจ้าคุณหันกลับมาอีตอแหลโว้โยคุณนายพวกไม่มีความโกรธนะลุกทรวดเลยพระปากจัดไม่นับถือแล้วนะเดินกระทือบพื้นปงโป้งโ ป, อ, ง ป, อ, งป อ, งออกไปหน้าวัดเนะ่ไปถึงหน้าวัดแล้วนึกได้่กิเลสนะ่ะที่ว่าไม่มีโทสะไม่จริงหรอกมีล้วหลวงป่ดูลยก็เคยนะ ด่าพระองค์หนึ่งบอกเป็นพระลรหันไปสัตว์นรกไปพน้นใส่หัวไว้พ้นโกรธเลยพระละหันกโกรธนะอันนี้เดินเลยวัดออกไปสมกิโลแล้วถึงรู้ <c oughs> คุณนายนั่นแกคิดว่าเป็นพระอนาคาออกไปถึงหน้าวัดเรารู้นะพระนี่คิดว่าเป็นพระละหันแนละ้วเดินไปสามโลถึงรู้ <c oughs> นานหน่อย <c oughs> ยังดีที่รู้งั้นเวลาเราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติเราวัดที่กิเลสนะ กิเลสยังย้อมใจเราได้แค่ไหนคอยรู้ทันมันไปเรื่อยอย่าไปให้จิตติดว่างๆอยู่นะว่างๆไม่มีกิเลสแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสเป็นพระอริยะแล้วไม่เป็นหรอกจิตธรรมดานี่แหละกระท่อปรมณ์ธรรมดานี่แหละแล้วกิเลสมันยอมจิตไม่ได้ถึงจะเชื่อได้ไปฟังซีดีนะฟังแล้วฟังอีกปกตินะเขาฟังซีดีแล้วฟังไปเรื่อยๆได้ฟังแล้วฟังอี ก, ก, นะนะวอกความรู้ความเข้าใจมันจะเปลี่ยน เรียนเองแหละไม่เหมือนฟังเพลงนะฟังเพลงฟังไปเรื่อยๆก็เบื่อไม่มีอะไรขึ้นมาซีดีเพลงก็ฟังกันแ ป, ป๊บเดียวก็เบื่อแล้วซีดีหลวงพ่อฟังแล้วฟังอีกนะจิตจะพัฒนาไปเรื่อยๆจากคนไม่มีศีลก็จะมีศีล น, นะจากคนที่ไม่มีสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็จิตใจจะกลับมาอยู่กับตัวเองไม่มีปัญญาก็แยกธาตุแยกขันได้แยกรูปแยกนาม เห็นใจรักของรูปนามได้นี่ความอัศจรรย์ของซีดีนะเปลี่ยนคนชั่วร้ายให้เป็นคนที่ดีสะอาดหมดจดขึ้นมาได้งั้นไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกอดทนเข้าไว้เอาต่อไปส่งงันบ้านที่ผ่านมาก็มีวินัยมากขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงหลังนี่มันกลับมาติดเพ่งค่ะอืมติดเพ่งแล้วรู้ว่าติดเพ่งอยู่ไม่มีปัญหาหรอก ให้ใจเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันถ้าจิตมันไปติดเพ่งมันน่าสงสารนัอย่าไปเกลียดมันเสียนะมันไม่ใช่เราหรอกดูมันไปเจริญเมตตาไปเมตตากระทั่งกระจิตนะจิตเราเนี่ยเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะถ้วให้เราเจริญเมตตาให้มันบ้างมันลําบากมากเลยจะหาตัวอะไรลําบากเท่ากับจิตเลยหายากนะเหน็ดเหนื่อยมากทั้งวันเลยสงสารมันเหมือนมันอุตสาห์ไปติดนิ่งๆนะอย่าไปเกลียดมันอีก สงสารมันจเจริญเมตตาไว้เอาใจเมตตาใจไม่เกลียดนะมันก็คลายจิตเป็นกุศลนะไอ้ที่อึดอัดที่แน่นๆอยู่ก็หายเพราจิตที่อึดอัด จ, จิตที่แน่นเนี้ยเป็นโทสะมูลจิตแน่นอนนะเมื่อไหร่จิตมีเมตตาขึ้นมาโทสะมูลจิตก็ดับจิตก็ปโปร่งออกมากลายเป็นโลภะมูลจิตแทนจิตโลภแทนสบายใจแล้วชอบ <c oughs> ให้ดูต่ออีกอ่ะก็ <c oughs> ประคองครับมัน <ทำ S 1> ตื <ทำ S 1> ่นเต้นไม่เคยรคแรงขนาดนี้โอ้อประคองทําไมลอยมันครับระวังอันเดียวว่าใจใจจะไม่เข้าบ้านใจจะมีแต่ความสุขแล้วว่างๆกว้างๆออกข้างนอกไปถ้ามีความสุขและสบายอยู่งั้นนะเป็นเดือนๆอะไรเงี้ยที่ย้อนมาดูกายดูใจทํางานจะเห็นทุกข์ถ้าเห็นแต่สุขแนละ้วก็ไม่เดินปัญญาต่อขอกลับ<ม>ด้วยพิธีการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เมื่อต้นปีได้ส่งการบ้านหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อบอกว่าจิตยังติดนิ่งอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ต่อมาก็เมื่อเดือนที่แล้วนะคะหลวงพ่อยมรู้สึกว่ายมมีความทุกข์มากเลยทีนี้มันทุกจากการที่มันมันมีความอยากเจ้าค่ะออแล้วมันก็ดันดันขึ้นมาแล้วเป็นก้อนที่หน้าอก อ, อ็ตั้งแต่ยังงั้นถูกต้องค่ะเสร็จแล้วก็มัน เล็กๆน้อยบางทีเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็ก้อนมันดันขึ้นที่หน้าอกนะเจคะนั่นแหละนั่นแหละพอวนาเป็นแล้วค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็เห็นว่าเออมันบังคับไม่ได้ออบังคับไม่ได้เราก็ตอนแรกๆมันก็เยอะนะเจ้าคะทุกมากพอตอนหลังพอนานๆไปเราก็เข้าใจมันนะคะว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันก็เกิดขึ้นเองแล้วมันก็หายไปเองตอนหลังมันก็ค่อยๆเบาลงพานาเป็นแล้วล่ะ ้ <นะ S 1> แลวก็ธาตุขันท์ก็แยกแล้วเห็นสภาวะแสดงไตร ล, ลักษณ์ได้แล้วงานต่อไปนี้ก็คือรักษาศี่ห้าไว้ทุกวันฝึกในรูปแบบให้จิตใ จ, จยอยู่กับเนื้อกับตัวมีเลี้ยวมีแรงแล้วก็จเจริญสติไปอย่างนี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นั้นมันไหวขึ้นมาจากกลางหน้าอกนี้แหละจะผ่านจะเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยไม่ใช่ต <นะ S 1> ัวเราหรอกดูไปอย่างนั้นแหละจนมันพอค ถูกแล้วเจ้าค่ะมีอีกนิดนึงเจ้าค่ะหลวงพ่อคะเมื่อเมื่อสองวันก่อนนี้นะคะโยมนอนนอนหลับอยู่ทีฟ้าร้องตอนตีสองตีสาเนี่ยมันฟ้าร้องดังมากจนเราลืมตาตื่นขึ้นมาอมพอลืมตาตื่นขึ้นมาปั๊บโยมเห็นจะเป็นความรู้สึกว่าเห็นจิตนะคะ ม, มันวิ่งไปที่เสียงเอถูกแล้วมันก็กลับมาเองค่ะเสียววินาทีโยมก็เราเราก็ไม่รู้สึกอย่างเวลาเราหลับอยู่เนี่ยนะจิตอยู่ในผวัง พอมีเสียงมากระทบเนี่ยจิตยังไม่รู้นะว่ามันกระทบทวารไหนพอจิตขึ้นจากผวังนะจิตมันจะเลือกเลยว่าจะออกไปรับอารมณ์ทางทวารไหนหูวิ่งจูดไปฟังเสียงเพราะเสียงมันเด่นนะดีตัวเนี้ยมันมีจิตตัวหนึ่งเป็นตัวตัดสินนะว่าจะไปทางไหนเรียกปัญจทวารวชนะจิตใสร่แล้วมันเอาทางหูแล้ววะก็วิ่งไปที่หูเลยวิ่งไปฟังเสียงพอฟังเสียงเสร็จแล้วมันก็ถ่ายทอดข้อมูลมาที่ใจใช่ไหม แล้วก็มาแปลว่าเสียงฟ้าผ่าเสียงฟ้าร้องอย่างนี้ใจก็จะปรุงต่อจะกลัวหรือจะไม่กลัวกว่าไปนี่แหละกระบวนการทํางานของจิตเป็นอย่างนี้แหละเราก็เห็นว่ามันทํางานเองมันทํางานเองนั่นเห็นถูกแล้วและอีกอันหนึ่งนะคะพออีกเมื่อสองคืนก่อนนะคะก่อนที่จะมาวัดนี่คะโลมโยมนอนกลางคืนอยู่แล้วมัน ม, มันมาบอก ว, ว่าถึงเวลาแล้วที่โยมจะต้องไปอะคะอ่ะหลวงพแล้วมันก็มีพลังที่เหนือธรรมชาตินะคะหลวงพ่ มันมาดูดโยมออกไปนะฮะอตอนที่ดูดโยมไปโยมก็ในใ น, ในความศศ ร, รู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นก็บอกว่าพุโทโธพุธโทโธ<อ>พุธโทโธนะฮ ะ, อะพอพุโทโธมันยังยือ้อเราไปอยู่แล้วก็ตะโกนที่ดังอีกนะคะอพอสุดท้ายมันจะลอยออกไปหน้าต่างโ<อ>างยมก็บอกเดียวเดียวเดี๋ยวยาขอกลับไปลาพระพุทธเจ้าก่อนเนะะ<อ>ีส่สร็จแล้วก็พอดีน้องก็มาปลุก ค, ะคะ่ะเลยไม่ได้ไปเที่ยวเลยจะถึงเวลาไหมคะของพ่อถึงอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ตายไปวันละวันอายุเราก็สั้นลงวันละวันอยู่แล้วล่ะเราพอนาไม่กลัวหรอกตายน้ำสการหลวงพ่อครับจิตยังไม่ถึงฐานครับปนปล่งๆออกนอกๆครับสัมผัสกายแล้วดีขึ้นครับนะรู้สึกกายหน้าหมอดูกายบ่อยๆเวลาเห็นกิเลสมาบีบคั้นจิตเนี่ยหรือตอนที่เราไปยึดเนี่ยพอดูได้ครับ ทุกครั้งที่กิเลสบีบคั้นเนี่ยรู้ว่าจิตเนี่ยได้รับความถูกครับ อ, อพอวางรู้ว่าเขาคลายลงครับแต่เขาคลายลงเนี่ยชั่วคราวครับผมแล้วก็บางครั้งเขาก็เผลอหยิบขึ้นมาใหม่อีกครับนั่นแหละแต่กําลังสมาถานี้ไม่พอครับหลวงพ่อเพราะว่าบางทีเนี่ยมันถล่มไปกับอารมณ์บางทีเผลอเพลงหรือแช่กับอารมณ์อยู่ครับอ่าไม่มีปัญหาแร้วนะถ้ารู้ ถ้าเรารู้อย่างที่เขาเป็นอย่างนี้รู้เท่าทันว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนจิตไปติดไปยึดไรรู้ทันไม่มีปัญหาแล้วก็ไปภาวนาต่อแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจาก ว, ว่ามันเห็นไม่ชัดครับหลวงพ่ อ, อมีม อ, ยอยากชัดนะเห็นไม่ชัดรู้ว่าไม่ชัดแค่นั้นจบแนละ้ว อ, อย่างบางคนนะมืดตื้อเลยวันนี้มืดเลยดูอะไรไม่รู้เลยหนูจะทาไงดีครัหลวงพ่อมืดไปหมดแล้วอะเรารู้ว่ามืดอะ ก็รู้แล้วว่านะก็รู้แล้วตอนนี้ดูอะไรไม่ออกก็รู้ว่าดูไม่ออกก็แค่นั้นเองนะพอรู้ด้วยใจเป็นกลางสว่างพลืบขึ้นมาเลยง่ายง่แล้วไงหมอเสร็จแล้วครับหลวงพ่อไม่มีอะไรหรอกไปเพราะนาต่อครับก็ขอเการปฏิบัตินี้เนี่ยถวายแต่พุทธบูชาครับถวายแต่พระธรรมและก็พระสงฆ์แล้วก็ขอถวายแด่บิดาบรรดาครับหลวงพ่อครับผมเออดีสาธุ กลับนามสาการนหลวงพ่อคะ่ะก็ตามเพื่อนเมื่อสักครู่นีมาค่ะค่ะ <c oughs> ก็ส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งแรกตอนปีใหม่อะคะ่ะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าทำสมาธิไม่ได้คิดเก่งอะไรเงีะะ้ยค่ะก็คือเพิ่งเริ่มทำรูปแบบบ้างตอนนั้นนะคะก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าแบบปฏิบัติแบบเป็นยังไงจะต้องถามทำไมมึงก็รู้อยู่กับตัวเองแล้วเห็นแม่ใจเราตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแะ เห็นไหมสบายขึ้นตั้งเยอะแล้วกิเลสอะไรมาก็เห็นะร่างกายกับจิตเขาคนลรอันก็เห็นอยู่แล้วความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วประจิตเขาคนละอันก็เห็นอยู่แล้วพอนาเป็นแล้วต่อไปนี้ก็ดูบ่อยๆทําถูกแล้วแต่บางครั้งมันมันเหมือนไม่แน่ใจบ่อยอะค่ะไม่แน่ใจให้รู้ว่าไม่แน่ใจหลวงปู่ดูลท่านเรียกพวกไม่แน่ใจว่าอะไรรู้ไหมพวกจิตจะหาพยาน จิตมันจะหาพยานภาวนาดีแล้วยังเที่ยวถามอีกเนาะมันจะหาพยานทำถูกแล้วเป็นพยานให้จะทำอีกเขาบพ๊ะคุณค่ะถ้ามีความสุขก็รู้นะแต่ถ้ามันสุขแล้วก็ว่างๆอยู่เรื่อยๆกลับมาดูกายไว้นะจำไว้นะไม่งั้นเดี๋ยว่าไปติดสุขน้ำมันสการ์ค่ะหลวงพ่ อ, อ อยากถามว่าหนูปฏิบัติเป็นยังไงบ้างอ้าวหนูต้องรู้ด้วยตัวเองหนูเป็นวินยูชนไหมวิมูชนต้องรู้ด้วยตนเองหเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นค่ะเห็นไหวไหมกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยโลภโกรธหลงตัวไหนเกิดบ่อยใจลอยบ่อยไหมฟุง้งซ่านนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละอย่างน้อยเราก็รู้ทันกิเลสตัวหนึ่งแล้วว่าโอ้จิตมันชอบฟุง้งซ่าน เนะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาจิตฟุ้งซ่านหนูรู้ไวๆ น, นะอย่าไปฟุ้งตามมันไปรู้ว่ามันกําลังฟุ้งซ่านดูมันเฉยๆจิตก็จะสงบจิตนั่นจิตก็จะกลับมาหาตัวเองเอย่างนี้นะแล้วก็พอจิตใจกลับมาอยู่กับตัวเองก็ดูกายดูใจเขาทางานไปเรื่อยต่อไปนี้เวลาจิตมันหนีไปคิดให้รู้จิตหนีไปคิดให้รู้หนูจะสงบมากขึ้นสมาธิหนูจะดีขึ้นไม่ฟุ้งเละเทะเหมือนช่วงนี้หรอกนะ เดี๋ยวมันจะดีขึ้นจิตหนี้ไปคิดแล้วรู้จำได้ยังจำได้จำได้ว่างไงหลวพ่อสอนว่าไงให้รู้ทันจิตค่ะจิตหีไปคิดให้รู้เออใช้ได้ใช้ได้จำไว้นะแล้วไปทาเอากรรมนรรศสการพระอาจารย์ครับว่าไงรายงานการปฏิบัติครับคือผมภาวนาไปภาวนาปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมปกติ ไม่ใช่อย่างนี้ครับ อ, อ, อย่างนี้มันประคองอยู่ใช่หัหยใช่ครับแล้วไงมีปัญหาหอะไรจะรายงานผลการปฏิบัตินะครับ ม, มันจะประคองอย่างเงี้ยมันจะชอบประคองแล้ววันที่ยีบสี่ที่ผ่านมานี่ผมได้ดูความเป็นกลางอยู่พักนึงนอ่ะเสร็จแล้วมันมันเกิดสภาวะคือเหมือนมีสติทั่วไปครับแต่ครั้งนี้คือมันไม่เหมือนจากครั้งอื่นคือมันจะเพราะ แล้วมันหลุดออกมาหมดนะครับเห็นกายอยู่อีกที่นึงแล้วก็เห็นจิตอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็สัญญากับสังขารเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าหาตัวเราที่ไหนไม่เจอเด่นมากอะครับดีดีถ้าไปบ่อยๆนะจิตมันสรุปได้ตัวเราไม่มีใช่ครับทำถูกแล้วล่ะดีมากเลยใช้ได้ส่งกันบ้านรอบปีค่ะ ก็ช่วงนี้ใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่ระหว่างวันค่ะถ้าไม่ได้ทํางานก็จะสวดเรื่อยๆแล้วมันก็มีความสุขขึ้นมาก็พึงใจพอใจทีนี้เมื่อสองสวันก่อนเนี่ยมันเห็นใจที่แบบค่อยๆไหลพอเราสวดปั๊บใจมันจะค่อยๆกระเถิบกระเถิบไหลเข้าไปมีความสุขแล้วมันมีใจอีกดวงหนึ่งเข้าไปรู้พอมันรู้ปั๊บความสุขมันก็หายไปแล้ตั้งแต่นั้นทุกครั้งที่สวดมนต์ขณะที่มันกําลังจะมีความสุขมันก็จะมีจิตอีกดวงนึงไปคอยรู้ มันท่านี้ก็เลยทุกข์ขลวงพ่อเพราะมันหมดแล้วความสุขที่เคยมีออแล้วเพราะว่าทําสมถะไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้เดินจงกรมก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเผลออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแก้ยังไงดีคะให้รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นใจไม่ชอบนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะถ้าใจเป็นกลางนะสมาธิมันมาเองอ่ะมันมีความสุขในตัวเองนลยในี่ใจเราไม่เป็นกลางซะและ้ว สติมันเร็วขึ้นเราชักจะไม่ชอบซะแล้วเพราะว่าเคยติดสุขแล้วไม่ได้ติดนะแล้วใจก็เลยเกิดโทสะดูออกไม่ว่าไม่มีโทสะคือมันรู้สึกว่าการภาวนาช่วงเนี้ยคลุกกับโทสะอยู่ตลอดเวลาเนะนี่ยให้รู้ทันตัวโทสะเนี่ยนะดูโทสะไปเจอทั้งเห็นเลยใจมันไม่ชอบอใจมันมีโทสะพอรู้ทันนะโทสะจะดับใจเข้าสู่ความเป็นกลางสมาธิจะกลับม า, ามแล้วก็วความสุขจะเปลี่ยนไป แต่เดิมมีความสุขของสมาธินั้นะมันสุขแบบเด็กไร้เดียงสาเด็กเล่นดินเล่นทรายละไรก็มีความสุขนะเพลินเลนเผลอเแต่ตอนเนี้ถ้าพอเห็นความทุกข์เกิดขึ้นดูความทุกข์ดับไปจิตเป็นกลางนะไม่จะเกิดความสุขอีกชนิดนะึงความสุขเหมือนผู้ใหญ่ะผู้ใหญ่ที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตความสุขจะต่างกับเดิมนะความสุขมันประณนี๊กว่าเก่ามันไม่มีความสุขแบบไร้เดียงสาอีกต่อไปแล้วเพราะว่าหมดวัยแล้วนะ วนไว้ในการภาวนาแล้วไอ้นั่นมันไวเบบี้แล้วนะตอนนี้โตแล้วอีกเรื่องก็คือตอนนี้มันพยายามพิสูจน์ทฤษฎีว่าเหมือนเหมือนมันทําการทดลองว่าปัจจุบนนะันมีอยู่จริงหรือเปล่าคือมันก็ทําการทดลองนี้ขึ้นมาเองมันก็พยายามตามดูปัจจุบนันและทุกๆครั้งที่เห็นปัจจุบนันไม่ว่าเราจะหายใจหรือว่าเราจะกระพริบตาเราก็จะเห็นปัจจุบันเนี่ยมันดับใช่ถูกพอแต่ว่าแต่ว่าโยมก็ยังไม่ยอมรับว่าโยมไปเห็นแล้วว่าปัจจุบันไม่มี ไม่ใช่ปัจจุบันไม่มีถ้าไม่มีเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อนัตถิกะทิฏฐิสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็มีสิ่งใดเหตุมันดับสิ่งนั้นก็ดับปัจจุบันมีได้ั้มมีเพราะมีเหตุแต่เสร็จแล้วมันก็ดับเพราะฉะั้นมันมีแต่มันมีช่วคราวไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีตัวมีตนมันมีแต่สภาวะที่ไม่ใช่ตัวใช่ตน งั้นไม่ใช่ปัจจุบันไม่มีอะไรเลยนะงนนั้นวิชาทิฏฐินะค่ะแต่ว่าพอมันไปเห็นว่าปัจจุบันดับเนี่ยมันก็เศร้าอีก<า>ซึ่งมันก็เป็นกลุ่มเดียวกับตัวเนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรตัวเนี้ยสะใจดีเศร้าตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นปัญญาที่แหลมคมแล้วแต่ว่าใชยังยอมรับไม่ได้มันคลุมอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยใช้วิธีว่าถ้ามีอารมณ์อื่นเพิ่มแทรกเด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะออกจากความเศร้าไปดูอารมณ์นั้น หนูไม่ต้องไปหนีมันหนูดูไปที่ความรู้สึกเศร้านะแต่อย่าให้จิตไหลเข้าไปนะดูเข้าไปตรงๆ ร, รู้เข้าไปตรงๆเลยว่ากำลังเศร้าอยู่ความซ้ำจะกระเด็นอกอกจากจิตเองจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางพอนานอดีแล้วนี้เรายังทนความจริงไม่ได้ความจริงก็คือไม่มีเรามันยังยอมรับไม่ได้นะมันเลยเศร้าใจถูกแล้ว กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือได้เห็นกระบวนการทางานของจิตอะค่ะอย่าไปเกลียดมันนะมันรู้สึกทรมานนะคะโอ้น้าไม่ชอบมันอะพอดูไปมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเราอยู่ในที่แคบแคบนะคเราถูกขังอยู่เราเราออกไม่ได้อ่ะออกไม่ได้หรอจะทำยังไงให้ออกได้เป็นพระอรหันต์นะถึงจะออกได้นูรี่เป็นพระอรหันต์สิ Oh. ถึงจะออกได้นะเราถูกขังอยู่ตลอดนะ่ะรู้สึก<ำ>ไหมทรมานทรมานมากๆค่ะรู้สึกเอ อ, เ อ, อทำไมมันเป็นทุกข์ขนาดนี้ใช่นะมันทุกข์ที่หลวงพ่อพูดเด้ยๆนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไม่เป็นกลางต่อทุกขนะ์ต่างทุกข์มันมีอยู่แล้วมีมาแต่ไหนแต่ไร แ, แล้วแต่เราไม่เคยเห็น ตอนนี้เรามาเห็นแล้วเราไม่ชอบมันความไม่ชอบเนี่ยผลักดันให้ใจเราเาร้อนขึ้นมาเพราะงั้นหนูรู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะนะใจหนูเป็นกลางหนูก็อยู่กับทุกอย่างเป็นกลางมันจะไม่เดือดร้อนหรอกเราบางทีมันเหมือนจิตมันเข้าไปจับอารมณ์อะค่ะหอูให้รู้ว่ามันจับนะมันแยกก็รู้ว่าแยกมันจับก็รู้ว่าจับช่างมันมันจับแล้วมันไม่ค่อยปล่อยอะค่ะมันยับย่อย พอมันจับหนูก็เกิดโทสะอีกแล้วไม่ชอบเนี่ยหนูค่อยดูนะตัวที่หลอกหนูมากที่สุดตอนนี้คือโทสะอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมคะความรู้สึกเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้ตลอดนี่แหละโทสะเลยโทสะตลอดยืนพื้นเลยให้รู้ทันความรู้สึกตัวนี้เข้าไปแล้วมันแยกออกจากจิตเราเวลาที่เห็นการทำงานของจิตนะคะหลวงพ่อมันรู้สึกว่ามันเหมือนฝันอะค่ะมันเหมือนฝันกมันเหมือนแบบ เราฝันอยู่ตลอดเวลาโลกนี้อยู่เหมือนความฝันโลกนี้เป็นความฝันผู้เจ้าบอกนะไม่ใช่หนูคิดคนเดียวโลกนี้เหมือนความฝันโลกนี้เหมือนพยับแดดโลกนี้เหมือนภาพหลวงตาใช่ค่ะรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่ว่าใจเรายังไม่ยอมรับไงถ้ายอมรับก็เป็นพระอรหันต์แล้วล่ะเราเรารู้สึกเราเราเหมือนแบบเราเราปล่อยวางไม่ได้ค่ะไม่ได้สั่งให้จิตปล่อยวางไม่ได้มันควบคุมไม่ได้สักอย่างเลยค่ะควบคุมไม่ได้แล้วไปโกรธมันทําไม ไปดูโทสะนะปัญหามีอันเดียวต้องแก่ยังไงอะคะไม่แก้<ะ>ให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะนะจิตไม่เป็นกลางจิตไม่ชอบให้ดูไปดูจิตที่ไม่ชอบตัวนี้ไว้ <คะ S 2> ถ้าจิตเป็นกลางนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็ไม่มีผลอะไรกับเรา <คะ S 2> ตอนนี้มันมีผลเพราะเราไม่ชอบความชอบความไม่ชอบเนี่ยทําให้เราเข้าไปยึดถือไปหยิบช่วยมันขึ้นมามันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วพอเราชอบเราก็ไปหยิบเราไม่ชอบเราก็ไปหยิบ นี่ถ้าเรารู้ทันนะใจความชอบเกิดรู้ความไม่ชอบเกิดรู้จิตไม่เข้าไปหยิบฉวยมันนะทุกข์ก็ส่วนของมันนะมันต่างหากทุกข์เราไม่เกี่ยวเลยจิตยังไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะั้นไปดูตัวโทสะไว้ขอบคุณค่ะต้องทนนะถ้าเจอตัวนี้นะชีวิตห่อเหี่ยวมากเลยหลวงพ่อคะขอถามอีกนิด น, นึงค่ะว่าที่ปฏิบัติมาถูกไหมคะถูกแล้วล่ะแต่ว่าต้องถูกมากกว่านี้โดยการรู้ทันว่าจิตเทียมหลังไม่ชอบอยู่ เเเรราาที่ไปห็นกาาารทํงงนนขอจิตั่นแหละเราเห็นจริงๆไะแล้วมันน่าเบื่อมากเลยมันมีแต่ทุกข์จริงๆเลยนั่นแหละความจริงแต่ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่ก็คือต้องรอให้จิตมันยอมรับของมันเองจนกว่า<ช>มันจะคลายใช่ไหมคะจิตไม่จะปล่อยจนกว่าเขาจะทุกข์จนถึงที่สุดใช่ใช่โอย่าโสสิ <c oughs> พระอรหันต์แต่ละองค์ก็ฝ่าด่านนี้มาทั้งนั้นแหละ <c oughs> สู้จนจะท้อแล้วค่ะหลวงพ่อค <c oughs> ่ะก็ต้องสู้เพราะอะไรเพราะมันทุกข์ เหมือนไฟไหม้บ้านนะท้อแท้ไงก็ต้องวิ่งอะนะไฟคล อ, อกออกได้ที่ไหนลนะ่ะเพราะงั้นหนูไม่มีทางเลือกแล้วล่ะใช่ค่ะต้องสู้อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่แต่วิธีสู้สู้อย่างฉลาดนะไม่ใช่สู้แบบอะไรเลือดเข้าตานะสู้อย่างฉลาดก็คือรู้ทันจิตที่มีโทสะไว้ออไปเรามาสักการหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะเห็นอยู่คะ่ะ ใครจับไม่ตัวนี้ก็ตื่นเต้นน ะ, ะ เ, เมื่อเมื่อสามปีที่แล้วส่งการบ้านที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะหลวงพ่อบอกว่าเพ่งไปหนูกว็วปปรับค่ะก็เป็นไม่ไม่ทราบว่าเพ่งหรือเปล่าเพราะว่าได้คิดในตัวเองว่าจะนั่งสมาธิวันละในรูปแบบหนึ่งชั่วโมงนั่งสามสิบเดินสาสิบพอพอนั่งปุ๊บความรู้สึก พอพุโทโธลงที่ลมหายใจพอพุโทโธลงปุ๊บความฟุ้งซ่านเห็นชัดเจนกับทุกรูปแบบจับไม่อยุดก็ดูอื้ก็เห็นเห็นทุกสภาวะทีนี้มีวันหนึ่งค่ะที่ไม่ไม่ไม่ได้รูปแบบเข้าห้องน้าค่ะพอเข้าปุ๊บเห็นมือตัวเองนี่เป็นกระดูกกระดูกวาก็ตกใจแต่ก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมีอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ ได้รับอุบัติเหตุค่ะรถควม่มรถคว่ำพอพอได้สติตอนแรกหลับในแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่ารถงายแต่ว่าเห็นเห็นว่าอ๋อตอนนี้ตายแ น, น่ๆเลยก็ดูความตายโดยไม่ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าคิดนนไว้อย่างเดียวว่าตอนนั้นกำลังงายอยู่หรือว่างายไปแล้วมันมัน ไม่ไม่รู้มันมันหงายค่ะแต่ว่ารู้แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุมันเร็วมันเออชีวิตเราคงแค่นี้แหละแต่ว่าตั้งหลักไว้ว่าเออเออถ้าเราไม่มีบุญวาสนาที่จะนั่นน่ะก็มันมันเป็นผลจากการปฏิบัตินะค่เราปฏิบัติป่อยๆเวลาเกิดอุบัติเหตุนะจิตมันทํางานเองนะมันไม่กลัวตายหรอกถ้าตายตอนนั้นเราก็ไปสุคติ มันไม่ทุรนทุรายเรียกตายอย่างสง่างามแล้วมีบางครั้งเห็นค่ะว่าเวลานั่งสมาธิเห็นพอพุทโธปั๊บจิตมันจะนิ่งไม่ไม่ทราบวันปรุงแต่งหรือไม่นิ่งแล้วก็มันก็หายไปทั้งหมดโลกธาตุ้วมันแวบเดียวค่ะแล้วเหลือความรู้สึกตัวไหมค่ะเหลือความรู้สึกตัวก็หายไปด้วยไม่ไม่ไม่ความรู้สึกความรู้สึกยังไม่หายค่ะแต่ว่าเห็นเห็นทุกสิ่ อย่างนั้นดีแล้วค่ะเอถ้ามันเป็นก็เป็นนะไม่เป็นก็ช่างมันแต่ที่เป็นอะดีมันเห็นแล้วโลกธาตุดับหมดนะเหลือแต่ตัวรู้นเดียวแล้วมันจะเห็นเลยต่อไปมันก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันร่างกายมันเคยหายไปหมดแล้วะตอนนี้มันกลับมามันก็ไม่ใช่เราแล้วแต่เห็นแค่ครั้งเดียวค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าอยากเห็นนะถ้าอยากเห็นจะไม่เห็นอีกแล้วแต่ไม่ได้อยากเห็นแล้วค่ะ ที่ยนะนี้ตอนนี้อยากจะขอวิหารธรรมจากหลวงพว่อค่ะดูกายบ่อยๆ<ะ>ร่างกายขยับกระเยอนเคลื่อ น, นไหวคอยรู้สึกไว้ร่างกายยิ้มร่างกายปวดเมื่อยร่างกายเป็นไงคอยรู้สึกเรื่อยๆไวนะ้ดูกายบ่อยๆสมาธิเราเยอะสมาธิเยอะๆต้องดูกายไว้ดูกายมันทํางานไปเรื่อยๆนะน้ำมัสการหลวงพ่อ ที่ผ่านมาโยมจะเห็นแบบกิเลสมาแล้วก็พี่สังขลังมาเล่นงานแล้วก็ประมาณว<ม>่าเขาจ ะ, ะไปเห็นแบบตัวยึดมั่นในสิ่งที่เรารักที่เราห่วงะคะ่ะ<ม>เขาจะมีความอะไรอวบยิ่งรักมากมก็จะยิ่งยึดมากแล้วก็ท<ม>ุกมากค่ะ<ม>แล้วก็ไปเห็นแบบเขายังไม่เข็ดลาบกับความทุกข์เขาหลวงพ่อไม่เข็ดง่ายหรอกค่ะแล้วก็เขาจะมีความเบื่อหน่ายแล้วก็แบบ มีความว่างว้างเหมือนกับตัวเองอยู่คนเดียวในโลกในจั ก, กรวาลแล้วแบบมไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไงคะตรง น, นี้ให้เรารู้ทันนะอย่าให้ความรู้สึกมันครอบงำใจค่<น>ะแล้วก็รู้อย่างที่มันเป็นค่ะจบแล้วเน้ไปรู้ต่อไปทำได้ดีอยู่ <laughs> ค่ะแต่เขาแต่เขาจะมีตัวเฉยแล้วแบบบางทีก็จะแกล้งเฉยถ้าเห็นความทุกข์ด้วยไงคะหลวงพ่ อ, อ, อตัวแกล้งเฉยไม่เอานะค่ะถ้าเฉยเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเฉยนี่รันดอดก็ไม่เอาอีกค่ <c oughs> นะ <c oughs> ให้จิตใจเป็นเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอย่าไปให้มันเฉยอยู่ตลอดแต่ตอนนี้ได้จิตเขาจะไม่ค่อยมีแรงค่ะหลวงพ่อหลังจากที่เขาจะเห็นสภาวะแล้วก็สลดหดหูนะะเนี่ยค่ะต้องทําสมถะบ้างค่ <c oughs> นะพุโทโธพุโทโธไปเจริญปัญญารวดไปจะไม่มีแรง การมรดกกาหลวงพ่อครับเอาการส่งงานบ้านครับวันนี้ในการทํางานก็พยายามปฏิบัติทํามระหว่างทำงานก็เห็นความทั้งโลคโรคกรธหลงนะครับบางครั้งโรบร่วมไม่ได้ก็เลยโกรธบางครั้งพอพอโลบไม่ได้ก็กลัวลกลัวก็โกรธทาอยากไม่อยากปนกันไปนนดูสินะมันมีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้นะเลือกไม่ได้ครับดูอย่างนั้นซ้ําๆไปจนใจมันยอม ไม่ชอบทุกวันนี้ไม่ชอบคือมันมันมีความมัวมากขึ้นแล้วก็มันไม่ชัดก็อยากให้มันชัดให้รู้ทันว่ามัวแค่นั้นพอแล้พอรู้ตัวเสร็จมันสว่างสว่างนี่ก็มากลับมัวอีกรอบก็ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนั่นมันสอนใจรักนะสอนว่าไม่เที่ยงสอนว่าบังคับไม่ได้ดีแล้วที่มัวครับขณะนี้ก็เหมือนกันครเมื่อกี้ก็มัวอยู่มัวสว่างเนีเท่าเทียมกันนะครับผมพ่อขับอีกเรื่องนึงครับผมติดมาตั้งแต่เด็กๆครับเคยเคยถามเพื่อนก็ไม่ได้คําตอบแต่ไม่ชัดเจนเด็กๆผมเคยคิด ถ้างี่เงียบผมจะบางทีเขากัด น, นิ้วตัวเองแล้วคิดว่าเราอยู่บนหลุมอากาศหลุมแบกบาโคนะฮะแล้วไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนไปไหนอย่างไรไม่รู้ที่มาที่ไปคนชั้ น, นพ่อแม่เป็นใครเออคนมันมีวัฒนามันมีบุญนะมันเคยเจริญปัญญามาเป็นอย่างนั้นแหละในสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสาวช่างทอผ้าเดินผ่านวัดไปพระเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนไม่รู้ค่ะ ไม่ทราบค่ะเธอจะไปไหนไม่ทราบค่ะถามอะไรตอบไม่ทราบไม่ทราบหมดเลยชาวบ้านด่าเลยว่าเล่นลิ้นพระเจ้าบอกเด็กนี้มีปัญญามากนะมาจากไหนรู้ไหมชาติก่อนเป็นอะไรไม่รู้จะไปไหนข้างหน้าเป็นอะไรไม่รู้ปัจจุบันเนี้ยก็ไม่รู้อีกไม่รู้มันคือตัวอะไระคนมันเคยเดินตัญญามามันเป็นอย่างนั้นแหละดีแสดง ว, ว่ามีของเก่านาะ พวกเศรษฐีเก่านรัสการครับหลวงพ่อคืออยากถามว่ามันยังติดเพ่งอยู่หรือเปล่าครับสังเกตดูถ้าเพ่งเมื่อไหร่ใจจะแน่นแน่นใจจะหนักขึ้นมาแน่นขึ้นมาหนักไหมก็ยังสังเกตไม่ค่อยออกครับรู้สึกอึดอัดไหมมีบ้างครับเอถ้าอึดอัดแล้วก็แสดงว่าเพ่งอยู่ครพอเพ่งปุ๊บก็อึดอัดแล้วแน่นแน่นหนักหนัก แข็งแข็งซึมซึมทื่อๆรู้ว่าเพ่งก็ดีแล้วลอันนี้จะแก้ยังไงครับไม่แก่นะให้รู้ว่าเพ่งอยู่ก็อย่าไปเพง่งมันซิถ้าไมถึงเพง่งถ้าอยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้ชัดๆอยากรู้ตลอดเวลาก็จะเกิดการเพ่งขึ้นจงใจไปดูมันก็เกิดการเพง่ง งั้นต่อไปไม่ต้องไปจงใจดูหรอกความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาถ้าความรู้สึกเกิดแล้วรู้ก็ไม่เพ่งนะถ้าคอยไปดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรให้ดูเพ่อจะเพ่งเอาขอบขอบณบรับ <laughs> เพ่งเนี่ยแกยากแกยากนะใช้เวลานะหลวงพ่อเคยติดสมถะตัวหนึ่งใช้เวลาเป็นปีเลยไปยะุดว่ามากลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะ่ะ หนูเห็นตัวเองเห็นโทสาไหมล่ะเยอะค่ะช่วงนี้นั่แหละรู้ทันหรืงนี่แหละค่ะใจเราไม่เป็นกลางหรอกค่เรามีโทสาแทรกค่ะร่วมไปค่ะกลับมาสการหลวงพ่อค่ะที่ผ่านมาหนูเห็นเกิดตายเกิดตายวนอยู่อะค่ะใช่แต่ใจอย่าไปเกลียดมันสิค่ะนะใจยังไม่ชอบมันหรอก ดูมันไปด้วยความเป็นกลางนะอย่าไปเกลียดมันเอาหนูไปเกลียดมัน <c oughs> ที่หนูภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วนะธาตุขันอะไรก็แยกหมดแล้วล่ะ <c oughs> นี่พอเราเห็นความจริงแล้วเราไม่ชอบยอมไม่ได้ไปดูต่อนะดูด้วยใจที่เป็นกลางไปเลยใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะแล้วลงพ่อคะ ย, ยังไม่จบเหรอว่ามา <c oughs> นิดนึงค่ะอ คือด้วยแวดล้อมอะค่ะที่มันไม่เกื้อกูลต่อกันอะะไรนะแวดล้อมอะค่ะที่เป็นอยู่อะค่ะมันไม่เกื้อกูลอคืนนี้หลวงพ่อมีอะไรแนะนํำไหมคะเราเลี่ยงไม่ได้เราต้องอยู่กับมันน ะ, ะถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ต้องอยู่กับมันเราก็ฝึกของเราไปในภาวะที่แย่ๆเนี่ยขยันฝึกน ะ, ะเมื่อไหร่สบายมึงก็ขี้เกียจนะมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะในสภาวะที่ไม่ดีเนี้ย เราก็ขยันดูของเราไปใจเราห่อเหี่ยวขึ้นมาเรารู้ทันดูเข้าไปเลย<ะ>หนีไม่ได้ก็ต้องสู้เอาขอบพระคุณค่ะนำ้ำมศการหลวงพ่อครับว่าม า, อ, าอยากจะรบกวนสอบถามหลวงพ่อว่าการจะพิจารณาละกามราคะเนี่ยใช้วิธีพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษได้ไหมฮะเพราะว่าพิจารณาอันนั้นเปนแค่ขมนะ ก็ไม่ลาเด็ดขาดหรอกละเด็ดขาดต้องพ้านาคาถึางละได้เรายัางไม่ได้โสดาเนี่ยถ้าการาราคามันกวนมากเราพิจารณาปฏิกรูนสุภาษอะไรเงี้ยนะเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามเนี่นก็ข่มราคาได้มันพิจารณาปฏิกูลสุภาษแล้วมันเหมือนทนไม่ค่อยไหวมันแล้วมันทําไมล่ะมันไม่ชอบเหรอมัน ม, มันไม่ค่อยชอบฮะแล้วชอบอะไรอ่ะก็ คืออยากจะดูทุกดูโทษมันอย่างเงี้ยจะทําได้ไหมฮะอันนี้ต้องพิจรารณาต้องคิดเอานะคิดเอาพิจารณาเอาแต่ว่ามันเป็นสมถะกรรมฐานนะมันจะกลมราคาได้ชั่วคราวเดี๋ยวราคาก็จะมาอีกนะถ้าเจริญวิปัสสนาเราก็เห็นนะจิตมีราคารู้ว่ามีราคาราคาหายไปรู้ว่าหายไปเดี๋ยวมาอีกก็รู้ว่ามาไปก็ไปนะรู้อย่างที่มันเป็นไปด้วยในส่วนก็เห็นวนะ่าราคากับจิตเก็โคโรนกัน ราคาไม่เกี่ยวอะไรกับจิตหรอกราคาเป็นไตรลักษ์ไปทําไมเอาราคาตัวเดียวลาตัวอื่นไม่มีแล้วเหรอถ้าส่วนใหญ่จะเห็นพวกนิวรณ์เยอะนะฮะเออนิวณ์ถ้าทาสมาธินะจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ฝึกไปเรื่อยพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธจิตมีความสุขก็รู้พุโทโธพุโทโธจิตเป็นทุกข์ก็รู้พุโทโธพุโทโธจิตสงบจิตฟุง้งซ่านรู้นะ จะได้เอาไว้สู้นิวรณ์นิวรณนเราใช้สมาธิไปสู้กราบขอบพระคุณครับของคุณคําถามทั้งสองข้อนะมันจะเป็นเรื่องของสมถะนะหลวงพ่ออยากให้ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาสู่วิปัสสนานะสมถามันเหมือนปวดหัวแล้วกินยากแก้ปวดหัวยังไม่ได้แก้ตัวโรคทํำวิปัสสนามันหลังให้กิเลสมันหมดไป นสัส ก, การครับหนว่พ่อส่งกันบ้านในรอบห้าเดือนครับอมเมื่อเดือนที่แล้วครับพอภาวนาไปเห็นอยู่ดีก็กายมันระเบิดครับเออแต่เป็นผลของสมาธิแล้วแต่ออกมาเห็นเป็นธาตุสี่ครับเอ อ, เ อ, อดีแล้วก็เห็นว่าจิตนี้มันเกิดดับทุกอย่างคือก็เลยว่าเห็นตอนเนี้ครับเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าคนไม่ว่าสิ่งของทั้งหลายเป็นแค่ธาตุธาตุสี่มาประชุมกัน สภาวะทั้งหลายมีแค่เกิดดับมีเหตุก็เกิดทำ hmm. อยู่แล้วก็ดับไปไม่มีส hmm hmm. ีรังยั่งยืนนะครับอ hmm. หลังจากนั้นมาก็คือเดือนที่ผ่านมาเลยรู้สึกว่ามันเบามันไม่ค่อยยึดไม่ค่อยติด hmm. อะไรมากครับหลวงพ่อสังเกตลงไปนะครับ <c oughs> ใจเราที่เป็นตัวรู้เนี่ยมันยังมีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ครับใช่ครับนะให้รู้ทันตัวนี้ไปนะครับ <c oughs> อย่าไปแก้นะแค่รู้ว่ามันยังเป็นเราอยู่ ถ้าได้โสดาจริงแนละมันจะเห็นธาตุเห็นขันทํางานนะธาตุขันน่าทำงานแต่มันไม่มีเราที่เป็นคนไปดูไม่มีเราที่เป็นคนทํางานครับอะนี่ยังเหลือเราอยู่นะคือว่าผมเนี่ยดูอีกอย่างพอเห็นก็คือเห็นว่าตัวเองเนี่ยปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครับอ๋องั้นก็รักษาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปละครับนะ เ, เงินสร้างบา ร, รมีไปครับผมดีเป็นพระเจ้าก็ดีนะรักษาสืบทอดไป สัตว์โลกข้างหน้าอย่างเลยเยอะเลยขอบพระคุณครับหลวงพ่อโมตนะนาสาธุนะให้สำเร็จได้ยิ่งดีเนี่ยจะเป็นพระเจ้าได้มันต้องเจริญปัญญาเก่งถึงขนาด น, นี้นะธาตุขันแตกเห็นใต้ลากเห็นอะไรไปหมดแล้วแต่มันไม่ปล่อยยทำไมอยากเป็นพระเจ้าถามก่อนเอาไมค์คืนมาหน่อยสัมภาษณ์พระโพธิสัตว์ <laughs> คือมันไม่รู้ครับตอนแรกเนี่ยตั้งแต่สมัยอายุสิบสี่ครับผมวงพอไปอ่านหนังสือของพระพมโมลีเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์ก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งเรารเราวัดที่ใจเรานะว่าทำไมเราอยากเป็นพุทธเจ้าคนที่อยากเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะแต่คนที่รอดไปเป็นพุทธเจ้ามีน้อยคนที่รอดไปได้เนี่ยนะมีความอยากเป็นพุทธเจ้าด้วยความกรุณานะ มีมหากรุณาอย่างยิ่งใหญ่เลยสงสารสัตว์ทั้งหลายอยากช่วยสัตว์ทั้งหลายถ้าอย่างนี้ยจะมีกําลังก็ไปไหวแต่บางคนอยากเป็นพระเจ้าเพราะจะได้มีความรู้เยอะๆอะไรอย่เงี้ยอันนี้อยากด้วยกิเลสละนะพวกนี้จะไปไม่ค่อยรอดหรอกนะเราไปสํารวจดูขอบพระคุณครับถ้าเป็นด้วยมหากรุณานะก็จะมีกําลังมากอย่าถามยากนะอ่าบ้ามากลาบมมาตการพ่อครับ ว่าไงฟังไม่ออก <laughs> ไปดูนะเวลาใจมันฟู้งซ่านไปเราคอยรู้นะใจมันหนีไปเราค่อยรู้เห็นร่างกายมันผนนมือเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเราค่อยรู้สึกใจมันหนีไปคิดค่อยรู้เนี่ยคอยรู้กายคอยรู้ใจอยู่เรื่อยๆนะไปฝึกอย่างนี้นะ <c oughs> À, อาจบแล้วชวนกลับบ้าน